นาโมตัสสะพระครวตอรหตตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะครวตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะครวตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ <c oughs> มาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธ์เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้าง ข, างขวาวางทับมือข้างซ้าย ร่างกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจของตนของตนเข้ามาภายในอย่าได้แสสายไปในที่ต่งตางๆการที่จิตใจแสสายลุ่มหลงไปกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆในโลกนี้ ไม่มีมากมายอะไรก็คือตาหูจะหมูกลิ้นกายใจอ <c oughs> ารมณ์ต่างๆมันก็เท่านี้ตาเห็นลูกหูฟังเสียงจะหมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโทดผักผักใจคิดทำมาลมจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรห ม, มโลกก็ตาม อารมณ์ของโลกมันมีอยู่เท่านี้อารมณ์เรื่องราวเหล่านี้มันก็กแสดงให้ทุกๆคนรู้ได้เข้าใจทีเดียวอย่างวารูปปะขันตัวคนเหลาเบื้องต้นแล้วว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับหมดขีดแล้วก็ชำรุดสุดโทมแก่ชราผลที่สุดก็ตายแตกดับ <c oughs> นี่คือรู ป, ประขันรู ป, ประขันนี่แหละถ้าเรากำหนดพิจารณาไม่ได้ไม่ถึง เป็นตัวมาร์ีละว่าขันธามารขันธมารกจีเลตมารสังขารลมารมัดจูมารโลกประขันนี้มันเป็นมารเป็นอุปสรรคอยู่ดูสบายก็เป็นมารอย่างหนึ่ง ได้กินก็เป็นมารอย่างหนึ่งไม่ได้กินก็เป็นมารอย่างหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยพยาติโลคาบังเกิดมีขึ้นก็เป็นมารอันหนึงถ้าสติปัญญาไม่ทันแล้วตาภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่จบภาวนาไม่รวมคือจิตสังขาร น, นั้นมายึดว่า ลูก ป, ปัจขันคือตัวขันธานีเป็นตัวเราพระพุทธเจ้าทันไม่ให้ยึดไม่ให้ถือว่าเป็นตัวเราเมื่อไม่เป็นตัวเราเป็นตัวใครเป็นธาตุโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรรมาลมเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจ อยู่ตามสภาพโลกอันนี้เองจงกัง น, นดพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมีอะไรเป็นแดนเกิดผู้ใดตามรู้ตามเห็นแจมแจ้งภายในจิตก็จะถอนกิเลสต่างๆที่มันมีอยู่ในจิตใจออกได้หมด พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ภาว น, นาทำใจให้สงบตั้งมั่นเต็มที่แล้วท่านก็กำหนดนี่แหละกำหนดขันธมารสังขารมารกิเลสมารจนท่านลู้หน้าลู้ตามัน มาหลอกลวงโกโหกพกลมให้ยึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจอีกต่อไปไม่ได้พระองค์ไม่ยอมไม่ยอมที่จะมาเกิดกาอาเกิดตายเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอีกครบรหม่ชาติใหม่พระองค์บอกมารกิเลสว่าพอแล้วที่พยามารและเสนาามาร มาทำให้เราตถาคตมาเกิดมาตายอยู่ในโลกอนเนกชาติสังสารังสันทาพิสังอ์อนิพิสังเจ้าช่างเลือนมาสร้างเลือนหลังนี่มานับคบนับชาตไม่ท้วนแล้วพระองค์รู้เท่าทันไม่ตามพระองค์ละพระองค์วาง พระองค์รู้แจ้งในจิตใ จ, จของพระองค์เพราะว่าจิตพระองค์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวย่อมเห็นแจ้งชัดว่าเมื่อมันเกิดได้มันจะต้องมีแก่มีชลามีเจ็บมีไข้มีแตกมีตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ทั่วไปในสัตว์โลกทั้งหลายจิตใจของพระองค์ก็ไม่หลง ไม่หลงสมบัติของมนุษย์สโลกจะเป็นสมบัติอะไรที่มนุษย์เขาว่าดีวิเศษถ้าองค์ก็ไม่หลงเพราะว่าสมบัติทางหลายนั้นมันเป็นที่หลงของจิตอาวิชาตันหามันเป็นเครื่องผูกมัดลัดลึงจิตใจให้ติดอยู่ข้องอยู่ เมื่อพระองค์พิจารณาเห็นแจ้งในหลักแห่งความไม่เที่ยงในหลักแห่งความเป็นทุกข์ในหลักที่ไม่ใช่ตัวตนของพระองค์พระองค์ก็ถอนได้ละได้ทางข้งกดียรูป <c oughs> ประหารของพระองค์ก็เหมือนกันกันกบพวกเราแต่โดยสมมุติท่านเป็นลูกของเท่าพญามาหากษัตริย์ จะเป็นอะไรก็โดยสมมุติธาตุแท้มันก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเห ม, เหมือนกันคนสมัยโน้นกับคนสมัยนี้มันก็ต่อมาจากคนสมัยโน้นหละสืบเชื่อสายมาโดยลำดับลาดับทีนี้คนสมัยก่อนครั้งพุทธการเกิดแก่เก็ดตายวุ่นวายอย่างไร คนสมัยนี้มันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเหมือนกันไม่ควรลุ่มหลงมัวเมาปล่อยให้จิตใจคั่งเถอะอยึดมั่นถือมั่นในชาตในตะกูลในตัวเราในของเราไปไม่มีที่จบที่สิน้นธรรมดาจิตที่ยังหลงอยู่ยังติดอยู่คล้องอยู่ ห้องโยในตัณหาทั้งหลายยังมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายอำนาจของตัณหานั่นแหละมันพาให้เป็นไปพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตัดว่านัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มี คือตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั่นมันไม่อินไม่พอไม่ว่าอะไรละ่ะคือมันปล่อยให้ลุ่มหลงมัวเมาไปมันไม่พอได้อย่างไรก็ไม่พอกินเท่าใดไม่หายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นรับคนอื่นยิ่งกว่าตัวสิ่งที่น่ากลัวกับปลา คือจิตมันไม่ดูไม่พิจรณ น, นาปล่อยให้ความง่วงเหาเอเผานอนเข้ามาทับถมจิตใจกิเลสมานสังขารมานขันธมานตัณหาทั้งหลายก็ผูกมัดลัดลึงให้จิตใจคล้องอยู่ติดอยู่ขาดความเชียนความหมั่นความขยัน ไม่ลุกขึ้นภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่นจิตมันก็มาคล้องอยู่ติดอยู่ในตัณหาทั้งหลายที่ทัานตรัสว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือมันคล้องอยู่มันมีความสงสัยอยู่ในจิตในใจมันไม่แจ้งในจิตในใจ ท่านจึงให้กำหนดพิจารณาดูกายดูใจดูลูกดูนามดูภายนอกภายในดูเกิดดูแก่ดูเจ็บดูไข้ดูตายดูความรับรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายดูการกินการนอนของตัวเองให้มันทั่วถึงพิจารณาให้มันเข้าใจเมื่อพิจารณาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วจิตอเนี่แหละ มันจะได้ถอนได้ละออกไปคือว่าจิตมันมาหลงโลกมาใช่โลกมาหลงจิตจิตไปหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมาาลมหลงดินน้ำไฟลมเมื่อจิตเป็นผู้หลงแล้วภาวนาก็คือแก้จิตนี่แหละ ถ้าทำตามอำนาจตัณหาไม่มีที่จบที่สิ้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้มาตรัสลู่เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ลาเพนเพื่อตัดตัณหานี่แหละให้หมดสิ้นไปแต่ท่านทำจริงปฏิบัติจริงตัดได้เลิกได้ เอาจนเด็ดขาดลงไปตันหาที่จะมาดึงให้พระองค์มาเกิดมาตายมายินดีพอใจในโลกนี้อีกไม่มีไม่ว่าจะในมนุษย์โลกในเทวโลกคมมาโลกที่สมมุติเขาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละ พระองค์เห็นแจ้งด้วยญาณด้วยปัญญาอันวิเศษจนละจีเลนความอยากความต้องการในอารมณ์นั้นนั่นหมดไปสิ้นไปตัณหาทั้งหลายก็ดับไปไม่มาหลอ ก, กจิตใจของพระองค์แลพระอริยสงสาวกเจ้าอีกต่อไป แต่พวกเราทั้งหลายนั้นมันหลอกได้กิเลสมามันโกหกอย่างใดมันก็ตายตามโกหกพกลมเจึิได้มาเกิดเกิดแล้วก็แก่ทลาไปตามหน้าที่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยพยาติโลคาบังเกิดมีขึ้นก็เป็นทุกข์เป็นร้อน เพราะจิตมันมายึดหน้าถือตายึดว่าเป็นตัวของเราเจิตมันยังไม่ได้ปัญญามาพิจรารณาร่างกายสังขารอันนี้ธาตุแท้มันเป็นอย่างไรธาตุดินเป็นอย่างไรยังไม่ได้เอามากําหนดพิจารณาให้แจมแจ้งคัดเจน คือมันยังไม่เห็นแจ้งในจิตของตัวเองความรู้ความเห็นต่างๆมันเห็นตามแบบแผนตำนานที่ท่านกล่าวไว้สมมุติไว้จึงให้ชื่อว่าเกิดมาแล้วก็หลงสมมุติโลกสมมุติอย่างไรก็หลงไปอย่างนั้นเกิดมาในพ่อใดแม่ใดโลกเขาก็สมมุติ ให้เป็นพ่อนั่นแม่นั่นลูกนั่นหลานนั่นไปตามเรื่องก็หลงไปตามสมมุติอ่ะนะแท้ที่จริงเขาสมมุติทั้งนั้นแหละอย่าไปหลงเกิดจังหวัดใดมันก็จังหวัดดินนั่นแหละจังหวัดน้ําจังหวัดไฟจังหวัดลมมัน ไม่มีอะไรที่นอกจากดินน้ำไฟลมอันรูปประขันตัวตนคนเราทุกรูกนามนีเ่เหมือนกันก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนเหมือนกันหมดแต่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมไม่เหมือนธาตุพื้นแผ่นดินภายนอก แล้ววธาตุดินน้ำไฟลมอันนี้นั่นแล้ววสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษกิเลสมันสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษค่ายกันกับโลกสมัยนี้เขาเรียกว่าสร้างหุ่นยนต์ทำงานแทนคนได้ราคาแพง ในที่ร้อนก็ให้ผุ่นยนต์ไปทำงานได้มันไม่บน่นไม่ว่ามันไม่มีใจแต่ว่ามันทำได้ร่างกายสังขารนี่ก็เรียกว่าสราีรยนต์ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ว่ายนต์คือร่างกายมนุษย์นี้เวลาร้อนหนาวกระทบกระเทือนเข้าเป็นทุกข์เป็นร้อน เพราะมันไม่ใช่เหล็กโลหะเหมือนหุ่นยนต์เขาที่คนเราจะรู้ได้เข้าใจต้องกำหนดที่จรณาดูให้แจ้งด้วยสติสมาธิปัญญาที่จรณาดูดูภายนอกมีอะไรมีหนังหุ่มโยเป็นที่สุดรอบ ถ้าหกว่าลอกหนังทะลกหนังแล้วมันสวยงามไหมถ้าปาดเนื้อออกไปหมดแล้วสวยงามไหมยังเหลือแต่โครงกระดูกนี่ขว่าจิตนั้นมันมาดูผิวเผินไม่พิจารณาให้แจ้งในจิตในใจแล้วก็ลูกประขันอันนี้นั้น ทางทั้งที่มันยังไม่ตายมันก็เหม็นสาบเหม็นข่าวจึงได้นิดการอาบน้ำชำระกายฟอกสบู่อะไรต่อมีอะไรก็คือร่างกายนี้มันเป็นของปฏิกูลไม่งามถ้ามันเกิดตายเมื่อใดเวลาใดละ่ะใครไปใกล้ไม่ได้ละ่ะมันจะส่งกินพุ่งเข้าจมูก เพราะร่างกายนี้เป็นเป็นก้อนอสุภามาตั้งแต่ดึกดำบันไม่ว่าสมัยใดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าผู้ใดมากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารอนเนมานเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลไม่สวยงาม ยังไม่แตกไม่ตายมันก็แสดงให้เราเห็นว่ามันต้องแตกต้องตายถ้ามันเกิดตายขึ้นมาเหมือนคนอื่นตายเราไปในงานศพจะได้จะได้เห็นว่ามันเป็นกลิ่นหอมหรือเหม็นแม่เขาจะประดับประดาดีที่สุดดอกไม้ราคาเท่าไรเท่าไรก็ซื้อมาประดับประดา แต่มันก็เกะกะกัน้นปฏิกูลโสโครไม่ได้เมื่อใครไปเห็นเข้าแม่ดอกไม้จะสวยงามอย่างใรเขาก็นึกได้ว่าข้างในดอกไม้เข้าไปในหีบในโลงในร่องไม่ใส่ของสวยงามแล้วไม่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ที่เอามาประดับ <c oughs> ให้รู้เข้าไปข้างในตัวเราทุกคนนี่แหละเรานุ่งห่มผ้าผ่อนอนสบายทุกอย่างเราก็พิจารณาตัวเราให้ได้ว่าตัวเราแค่ไหนเพียงใดทำไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าเป็นธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมเป็นก้อนอสุภกรรมฐาน เป็นของไม่งามพระองค์กาหนดพิจารณาอย่างไรจึงรู้ได้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามนั่นแลกคือว่าท่านตั้งใจให้มั่นภาวนาเพียรเพ่งดูภายในจิตใจของท่านตั้งมั่นไม่วันไหวใช้ปัญญาภายในเพียรเพ่งดู จนรูกแจ้งแทงตลอดว่าที่แท้มันก็ไม่มีอะไรเป็นสารหลักเก่นสารในรูปนามกายใจอันนี้แต่เพราะมีอวิชชาตันหาในจิตใจมันปิดไว้บังไว้ไม่ให้กำหนดพิจารณาจึงเข้าใจผิดคิดหลงไป ว่าเป็นของสวยสดงดงามน่ารักไข่พอใจเห็นแต่ว่าเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายไม่ตายมันจะเอาไปไหว้ที่ไหนคือมันตายไปอยู่โดยลำดับลาดับและว่าตายที่ปิดบัง แต่คนเราสมมุติโลกเขาไม่ว่าตายมันปิดไว้บังไว้ปัญญาจึงไม่ถึงเข้าใจว่าเป็นของมั่นคงถาวรถ้าแท้มันไม่ใช่ของมั่นคงถาวรเป็นของไม่ทนได้นาน ชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นเกิดมาไม่เท่าไม่เท่าทเท่ากันบางคนเกิดมายังไม่เป็นคู่เป็นคนเดียวาตายลอดออกมาจากท้องแม่อย่างนั้นก็มีบางคนก็เกิดเวลานั้นตายเวลานั้นก็มีตายทั้งแม่ตายทั้งลูกก็มี ความตายนั้นไม่ได้เลือกหลอกไม่ว่าคนชั้นใดภูมิใดก็ตามการมาเกิดในโลกนี่มันเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยภยัยเต็มไปด้วยของโศกกปฏิกูลร่างกายของเราเมื่อมันใหญ่แล้วคลอดออกมาแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ได้เพื่อนเปรอะเละเทอะประการใด ธาตุแท้นั้นร่างกายสังขารมันเป็นธาตุน้ำธาตุปฏิกูลของโลกเอามาปั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราและจิตใจที่มายึดเอาถือเอานี่ก็โง่เขาเบาปัญญา ได้มาแล้วก็ไม่พิจารณาธาตกรรมฐานอสุภกรรมฐานมาลงแค่สมมุติเขาสมมุติให้ก็มายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราทําไมไม่กําหนดพิจารณาให้เห็นเจ็ดด้วยสติปัญญาอันชอบตัวข้าของข้าอะไรเป็นของข้า ตัวกูของกูอะไรเป็นของกูตัวเราของเราอะไรเป็นของเราทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเลือกสวนไล่นาที่บ้านที่เรือนอะไรตอนน่อมีอะไรในโลกนี้ถามดูให้ดีมันเป็นของเราไหมเสียงทั้งหลายเขาไม่ได้ว่าเป็นของใคร ใจหลงอันนี้ตังหาไปยึดเอาถือเอาว่าเป็นของเราต้องให้เห็นว่าของเรานั้นโดยสมมุติธาตุแท้มันไม่ได้เป็นของเราเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมนั่นเองก็ธาตุดินน้ําไฟลมมาปรุงปั้นแต่งให้เป็นนั่นเป็นนี้ไป เวลามันแตกมันดับมันหมดช่วงอายุของมันมันไปไหนมันก็ลงไปเป็นดินแม้ร่างกายตัวตนคนเหานี้ก็เหมือนกันมันแตกดับเมื่อใดเวลาใดมันก็ลงสู่แผ่นดินอันเรื่องเขาผีจีกระดูกฝังดินมันเป็นเรื่องมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาทำไป ถ้าลำพังตัวเราคนเดียวนั้นเผาผีจีกระดูกตัวเองไม่ได้ตายที่ไหนมันก็อยู่ที่นั้นตายแล้วมันก็ไข่พองขึ้นจนกระทั่งโยูไม่ได้ก็แตกน้ำเหลืองไหลออกไปหรือแต่กระดูกกระดูกนามเข้าก็พุกพังไปจมลงไปในแผ่นดิน ก็เป็นดินอย่างที่เราเห็นนี่แหละนัวธาตุา ด, ดินธาตน้ำธาตุไฟธาตุลมรูปประคันร่างกายสังขารอันนี้มันธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมต้องเพียนเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบถ้าจิตไม่สงบตั้งมัน่นมองไม่เห็นมันเห็นเป็นดิบเป็นดีไปหมด คือจิตมันสั่นสะเทือน <c oughs> จิตไม่สงบจิตมันสั่นคำว่าจิตมันสั่นคือจิตไม่นิ่งจิตไม่นิ่งมันก็มองไม่เห็นเหมือนเราตักน้ำใส่ครุใส่ถังสักถังหนึ่งถ้าน้ำนั้นมันสั่นสะเทือนอยู่เราจะไปมองดูหน้าก็ไม่เห็น จิตที่สั่นสะเทือนวันไหวอยู่นี่เหมือนกันความโกรธความโลภความหลงมันอยู่ในตัวในใจเต็มไปหมดแต่ก็ไม่รู้เพราจิตสั่นสะเทือนจิตหลงจิตอวิจฉาจิตตันหาจิตไม่สงบตั้งมัน่นจิตไม่แจ้งในธรรมจิตยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมันสั่นสะเทือนอยู่ เหมือนเราดูเงาในน้ำในครุในองค์ในหายที่มันสั่นสะเทือนมองไม่เห็นชัดถ้านน้ำนิ่งมองเห็นชัดน้ำนิ่งก็คือใจต้องสงบใจตั้งมัน่นใจไม่โลเลไม่สงสัยเมื่อใจแน่วแน่มั่นคงก็มองเห็นละ่ะ เห็นแจ้งด้วยปัญญาตาใจของตัวเองเห็นแจ้งแบบไม่มีความสงสัยเป็นอย่างอื่นไปมันต้องเป็นอย่างนั้นมันแกมาเป็นอย่างไรมันเด็กอยู่เป็นอย่างไรมันตายแล้วเป็นอย่างไดมันยังไม่ตายเป็นอย่างไร เรานี่จะต้องกำหนดพิจารณาให้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบของตัวเองไม่ใช่คนอื่นจะมาพิจารณาแล้วจะไปลู้ตามเขาไม่ได้มันเป็นธรรมภายในไม่เหมือนวัตถุเข้าของภายนอกวัตถุเข้าของภายนอกถ้าเรามีก็ยืบยื่นให้ได้ทัานนั่นมันเป็นวัตถุ ส่วนนามธรรมคือการปฏิบัติบูบชาภาวนาในใจิตใจของเราทุกคนนี่เมื่อเราฟังแล้วเอาไปภาวนาคิดอ่านพิจารณาทบทวนไปมาให้มันทั่วถึงภายนอกภายในจนกิเลสมารโยภายในเอามาหลอกลวงไม่ได้ พอจิตภายในมันภาวนาเห็นจริงเห็นแจ้งว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเราจะต้องใช้สติสมาธิปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเข้าไปแยกแยะพิจารณาตัดสินเด็ดขาดจนมีความสามารถอาฐานในจิตใจนั้น จึงให้ชื่อว่าลู้แจงพระพุทธเจ้านั่นลู้แจงโลกโลกวิถูลู้แจงโลกแระสงสารวกของพระพุทธเจ้าก็ลู้แจงโลกถ้าไม่ลู้แจงโลกก็ออกจากโลกไม่ได้เมื่อท่านลู้แจงโลกเมื่อได้เป็นโลกวิถูเหมือนพระพุธ ในรรมอยู่ในถ้าในคูหาอยู่ภายในไม่ประโยนตามอาการภายนอกอันที่จะมาหลอกลวงให้ลุ่มหลงต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็ได้แก่เราทุกคนจะต้องลุกขึ้นบาเพ็ญภาวนาในทางพุทธาศาสนาให้มันเต็นที่ เมื่อเต็มที่เต็มฐานมันก็รู้ได้เข้าใจในจิตใจของตนของตนนั่นเองคือสิ่งทางหลายนั้นไม่มีอะไรปิดบงังความหลงในจิตใจของเราไม่ภาวนาให้มันมากนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งความหลงเมื่อจิตนี้มันหลงมันมัว หลงนี้จะหมดไปสิ้นไปตั้งใจให้มัน่นทำความเจื่นภายในจิตใจให้มันเต็นที่ไม่ให้มันดิ้นรนวุ่นวายไม่ให้มันสั่นสะเทือนไปที่ไหนที่ไหนถ้าเราหาอุบายทำอย่างอื่นสอนมันไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟัง ก็ให้เอามาลา ะ, ะคือความตายนั้นมาสอนมาบอกถามในใจนะ้นมันตายเป็นไม้มลูกนี่นามนี่ตัวนี้เอาจนให้มันเห็นแจ้งในใจิตใจจนมันถอนมันคลายกิเลสออกจากใจได้ด้วยสติปัญญาที่ภาวนานั้นทีนี้มันก็ถอนได้ละได้ปล่อยได้วางได้ ที่นี้ถ้าตัวเราใจของเราไม่ภาวนาไม่พินิจจารณาปล่ อ, อยะละเลยฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจแทนที่จะละกิเลสความกอดความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปมันก็มาเพิ่มกิเลสเข้าไปเมื่อเพิ่มกิเลสเข้าไปมันก็ไม่มีทางหมดทางสิ้นสักที เกิดมาพบใดชาติใดมันก็ทุกอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายตายแล้วว่ามันจะหมดจะแล้วมันไม่แล้วพบนี้ชาตินี้มันตายไปแต่ว่าจิตภายในมันยังไม่แจ้งในจิตในใจมันยังสำคัญผิดคิดว่านรนลูกนามตายเจาตัว ต, วตนคนเหล่านี้ยังมีความสุขความสบายลี้ลับอยู่ มันยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นภัยตายเวลาใดมันก็มาเกิดเป็นคนบ้างตายเวลาใดมันก็มาเกิดเป็นสัตว์บ้างเพราะไม่เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาตามาศาสนาธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องมีวิธีการคือนั่งสมาธิภาวนา เปียนเพ่งพินิพิจารณาทุกอย่างในร่างกายสังขาร น, นี้ทั้งใน ส, สิ่งที่เป็นนามธรรมก็กำหนดพิจารณาให้มันแจ้งหมดไม่ให้มีมืดบงังรวมลงสู่มรณะกรรมฐานทุกคนทุกทวนนาะผลที่สุดไม่มีใครที่เหลืออยู่ในโลก ถ้ามีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเป็นคู่กันแต่ที่มันยังไม่ตายนั้นก็คือว่ายังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองแต่มันจะต้องตายทุกทวนนาไม่มีใครเหลือจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาเพียนเพ่งดูให้แจ้งในจิตในใจอย่าได้มีความท้อถอย ความท้อแท้อ่อนแอในจิตใจไม่ให้มีให้จิตใจแจ้งสว่างอยู่ไม่ให้ใจมันมืดใจมืดใจดำใจโมโหโท โ, โสฟุ้งซ่านลำคาญจิตฉาตาร้อนแก่มนรรษุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจ ภาจิตใจนี่มันแจ้งชัดว่าโกรธมาแล้วมันเป็นอย่างนี้มีความแก่ความชราอย่างนี้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ถ้าไม่ต้องการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกก็รีบภาวานาแก้ไขใจไม่ามาหลงเมื่อจิตนี้ไม่หลงแก่เจ็บตายก็ไม่มี ถ้าจิตมันยึดถืออยู่แกเจ็บตายก็มีเลื่อยไปไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะอำ น, นาจตันหาภายในจิตเพราะจิตไม่รู้จักปล่อยวางกิเลสตันหาในจิตในจิต ใ, ใจของตัวเองที่นี่มันจะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ไม่จบไม่สิ้น นักเข้าก็มาทำบาป ท, ทำอกุศลต่างๆแทนที่จิตใจจะได้เบาบางออกจากกิเลสมันยิ่งติดบังเข้าไปอีกเวลาเราทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลภาวนาในใจของตนนี้อย่ามีความท้อถอยอย่ามีความอ่อนแอท้อแท้ในหัวใจ นายดวงจิตดวงใจนั่นเลยว่าตั้งมั่นอยู่เสมอแจ้งใสสว่างอยู่ภายใน <c oughs> เห็นคนมาเห็นคนนั่งนอนยืนเดินก็เห็นความแก่ความเจ็บความใข้เห็นความตายเห็นความทุกข์ของคนทุกคนตายพร้อมกับตัวเร่าเลือด ว, วามันก็ต้องเป็นไปอย่างเดียวกันหมด คือเกิดขึ้นแล้วหมดกําลังแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วหมดกําลังแล้วก็หลับไปดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายแต่เมื่อมันยังไม่ถึงเวลานั้นเราก็เข้าใจว่ามันคงไม่เป็นไป แต่เวลามันจะเอาเข้ามันไม่ได้บอกล่วงหนะ้าความตายมันมีป้ายบอกที่ไหนไม่มีป้ายบอกว่าคนนั่นจะตายวันทิพวันจันทร์วันอังคารวันพุธประหัสสุขเสาร์ดวนนั่นดวนนี่ปีนั่นปีนี่พศทางนั้นทาง น, นี้มีขเขียนบอกไว้ที่ไหนมีไหมไม่มี ความตายนั่นพระพุทธเจ้าว่ามันอยู่ออไปออกมาเท่านั้นแหละถ้าเข้าไปแล้วหายใจออกไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วหายใจสูดเข้ามาอีกไม่ได้ก็ตายอันนี้มันแน่นอนกว่าแล้วก็ให้กําหนดตันจิตตอนใจของตนให้ได้ด้วย อย่าไปปล่อยตาละเลยให้มันเป็นไปเองไม่มีถาเราจะต้องนึกเจริญเอามาสอนใจของเราให้ได้เห็นคนเกิดมันเป็นทุกข์อย่างไรก็รีบเอามาสอนใจเห็นคนเจ็บไข้ได้พยาธิสัตว์ทั้งหลายเจ็บไข้ก็เอามาสอนใจสัตว์ตายก็เอามาสอนใจคนตายเอามาสอนใจ ถ้ามันสอนจุดสอนใจได้ตลอดเวลาจิตใจของบุคคลผู้นั้นมันก็ตั้งขึ้นมาแหละไม่เดือนรอยทำาอะไรก็มีความหนักแน่นในธรรมปฏิบัติไม่มีจิตใจอันงอนแง่นคอนแขนเรียกว่าทำจริงปฏิบัติจริงเอาให้รู้ให้เข้าใจลงไปในจิตใจนั่นจิตใจของตนก็ให้มีความ สงบประงับหนักแน่นอยู่ในจิตในใจได้ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสฝ่ายต่ำเข้ามาย่ำยีหัวใจวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในกายวาจาจิตน้ก็รวมกำลังตั้งมัน่นลงไปสู่จิตใจดวงนี้ จนแก้ไขจิตใจดวงนี้ทั้งหมดทั้งมวลว่าสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่นอกนั้นออกไปเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาเต็มโลกจิตยาได้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกแล้วก็เตือนจิตใจดวงนี้ว่ายาได้ประมาท โคได้ประมาทไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนแล้วไม่ได้หลงตายหลงเกิดอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีเมื่อมาราลึกได้อย่างนี้แล้วก็ให้ภากันตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่นั่งสมาธิภาวนาจิตใจให้สงบทุกขืน จิตไม่สงบรังับอย่าไปเลิกละความจีนนั่งเอาจนมันตายคาที่นั่งถ้าถามใจว่ามันยังไม่ตายอย่าไปถอยอย่าไปวันไหวตั้งตัวภาวนาต่อไปเอาจนสอนได้สอนใจของตัวได้เมื่อเราสอนใจเราได้สอนคนอื่นเขาก็ฟัง แต่ถ้าเราสอนใจเราไม่ได้คนอื่นเขาก็ไม่ฟังดังนั้นเราต้องแรกที่สุดก็เรียกว่าต้นสอนตนต้นภาวนาในใจของตัวเองและให้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจตั้งแต่วาลานี้เป็นต้นไปด้วยอย่าไปลั่งรอลั่งรอไม่ได้ ให้รีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาฆ่ากิเลสให้ตายขายกิเลสให้ออกอย่ามาหลงหยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเราในของของเราอยู่มาละนังเนพวิสติเราต้องตายนึกสอนใจเราให้ได้ทุกเวลา ด้า น, นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจด จ, จำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความุขความเจริญเอวังก็มีด้วยกระการละทนันีสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตะวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะ อาพิวาธานาสีริสนิจังวุ ธ, ธาปจายโนโจตาโรโธรรมาวันติอายุวันโอสุขังภาลังทำปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาอย่าเข้าใจว่าเป็นของทมเล่น อะไรทั้งหมดทำมันเป็นการทำเล่นย่อมไม่บรรลุมรรคผลคือต้องตั้งใจทำจริงๆการนั่งสมาธิที่ท่านให้นั่งครับสมาธิจงดูพระพุทธโลกพระพุทธโลกทุกองที่ท่านนั่งสมาธิ เป็นการแสดงออกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ทาจริงปฏิบัติจริงตรัสรู้จริงไม่มีอะไรที่จะสงสัยเราเวลานั่งสมาธิภาวนาก็จะไปส่งจิตใจไปที่อื่น ลมหายใจเข้าออกมีโยกตั้งใจกำหนดลมหายใจนึกบริกรรมอะไรก็ให้มันแน่วแน่มั่นคงในใจไม่ใช่ล่อยคาสติสัมปทันยะง่วงเหงาห้านอนฟุ้งซ่านลำคานไปให้จิตใจมีความเบิกบานยิ้มแย้มแต่มใส บทการปฏิบัติต้องกำหนดพิจารณาหลักสำคัญคือว่าจิตใจให้มีความสงบตั้งมัน่นท่านจึงย่นย่ออุบายเข้ามาภายในว่าจงนึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกทีนี้นถ้าเราฟังแต่แค่นั้น เราไม่ทำจิตทำใจให้มันสงบระงับถึงพุทธพุทธโธจริงๆแยมันจึงจะเข้าใจถ้าเราฟังแต่เพียนภาษาใจก็ไม่ตามไม่เอาจริงเอาจังมันก็เลื่อนลอยละ่ะฟุ้งซ่านลำคาลเลื่อนลอยง่วงเหงาเหงานอน กิเลสราคะกิเลสโทสะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้มาตั้งนับไม่ถ้วนแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติไม่ตั้งใจทําจริงๆกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็ไม่ออกก็มาเป็นจิตเป็นใจเป็นตัวอยู่ภายใน เลยหลงไปตามอำนาจนี้ตลอดการจงย ก, กจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิปวนาไม่ให้มันรั่วไม่ให้ไหลไปที่อื่นเรียกว่าโอปณยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก คือไม่ให้มันรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะเิตใจจึงจะเข้าถึงความสงบสมาธิจิตตั้งมั่นลงไปได้จิตตั้งมั่นไม่ใช่ว่าจิตหลับไหลจิตตั้งมั่นต้องเป็นจิตที่ชื่นบาน มีสติในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็เป็นสมาธิคือว่าตั้งมั่นจริงๆปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็รอบรู้อยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองจนกระทั่งได้ปัญญาวิชาความรู้แก้ไขกิเลสลาคะโทสาโมหะ อันมันโกมัดรลัดเลงจิตใจของตัวเองอยู่นั่นออกไปจึงจะได้ความแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าคนอื่นมาทำให้ปฏิบัติให้บอกให้แล้วก็แล้วไปไม่ได้เราต้องทำเองปฏิบัติเอง ยกจิตใจของเราให้สูงสงขึ้นมาสติคือความระลึกได้ใครเป็นผู้มีสติกนะ็คือจิตนั่นแหละเจตคือจิตดวงที่โลอยู่นี่แหละเมื่อไม่ตั้งมัน่นจริงๆมันก็ขาดสติ หาสติกิเลสในนั้นมันก็พาไปคิดไปปรุงไปแต่งไปดีใจเสียใจหุ้งซ่านลำคาดเลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไห น, อะ ไ, นะอะไรเป็นพะระพุทธเจ้าอะไรเป็นพระธรรมอะไรเป็นพระสงฆ์ก็จะไปได้ยินได้เห็นได้ฟังแค่สมมุติภาษา ภายในจิตใจเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ต้องทําความรู้สึกอยู่ในจิตในใจกิเลสราคะกิเลสโทสะมันไม่ใช่ออกไปอยู่ฟอกนอกฟ้าป่าอย่างมาผ่านมันอยู่ที่กายที่วาจาที่ดวงจิตดวงใจของตัวเองอยู่ทุกขณะทุกเวลาถ้าจิตใจไม่มาสงบตั้งมัน่น ไม่มาเห็นแจ้งในหลัก อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาเสียเมื่อใดแล้วก็จะมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าแค่กินแค่นอนแค่อยู่ได้สติให้มีอยู่ทุกเวลานั่งมีสติอย่างไรยืนมีสติอย่างใดเดินไปมามีสติอย่างไร ทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนคำว่าสติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็คือว่าระลึกอยู่ในจิตในใจทั้งกายวาจาจิตทุกอย่างนั่นแหละไม่ให้จิตใจมานิ่งนอนใจอยู่ด้วยโมหะคือความหลง ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้มีความแจ่มแจ้งในจิตใจของตัวเองเป็นเครื่องอยู่ภายในจิตใจมันจึงจะผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไม่ใช่ไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะเสียทุกอย่างทุกประการเมื่อมันไปเป็นเช่นนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์เร่าร้อน โยในใจเรียกว่าไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติในนั้นในภาคอ่านตั้งใจภาวนาทุกเยืยยาบทยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาใหมันได้ทุกเวลาจึงจะสมว่าผู้ปฏิบัติย่อมรู้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติ ดังแสดงมาโดยยนย่อพอได้ใจความแล้วจงพาการประพฤติปฏิบัติไปโดยความไม่ประมาท <c oughs> เอาวตอนนั้นก็คาลายายคำว่าอิเลส กองใหญ่ๆเป็นคืมีอย่างกิเลสความโกรธกิเลสความโกรธนี่เหมือนกระเสือละไข่แตะต้องไม่ได้กิเลสความโลภนี่เป็นว่าเหมือนกับจระเข้จระเข้นั่นเร็วปากใหญ่ปากกว้าง เขาแต่งนิทานว่าหางมันรอบโลกไปเลยไปกัดกินหางตัวเอ ง, องโลกฮะคือความโลภความโลภในกิตของมนุษย์เรียกว่ามันมากมายไม่อิ่มไม่พอมันยังเปรียบเทพให้มนุษย์โลว่า ในโลกนี้นานๆจะมีพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิลาศคนหนึ่งมาเกิดในโลกได้เป็นใหญ่หมดในมนุษย์โลกหมายถึงมนุษย์ที่เราไปมาหาู่กันนี้ละได้เป็นใหญ่เพราะมีจั ก, กรพรรดิลาศคอยเป็นอำนาจก็ยังไม่พอ ยังคิดต่อไปว่าเออบนสวรรค์เขาก็ว่ามีอยู่ทำอย่างไรหนอจึงจะได้ไปครองเมืองสวรรค์อีกอันนี้ก็คือว่าความโลภในจิตใจของมนุษย์ที่เราคิดเล็กๆ น, น้อยๆว่าได้อย่างนั้นแล้วก็จะพอได้อย่างนี้แล้วก็จะพอ ความจริง่ะมันไม่มีเมืองพอมันยืดออกไปเรื่อยโลภะจึงเรียกว่าเป็นเหมือนจระเข้ปากมันใหญ่มันกว้างกินได้ทุกอย่างทุกประการโลภะในจิตของคนเราต้องให้มันพอเพื่อว่า พระพุทธองค์สอนว่าเอาที่มันมีอยู่นี่แหละมีตาสองตาก็มันพอนี่มีหูสองหูก็พอแล้วมีจมูกสองปองก็พอแล้วได้หายใจมีทวารทางเก้าก็พอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มอีก เมื่อยินดีพอใจอยู่ในกายวาจาจิตของตนจิตมันก็อยู่ได้เพราะไม่ปล่อยให้เป็นไปตามโลภะตัณหาแต่นน่ออกกองหนึ่งกิเลสกองหนึ่งก็เรียกว่าอวิชชาหรือว่าโมหะ กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความห ล, ลงตัวที่สามนี่เรียกว่าหลงหลงสมมุตินิยมในโลกหลงกินหลงนอนหลงสนุกเพหาภาษากิเลสความหลงนี่เรียกว่าละเอียดมากตามกฎธรรมดาแล้ว ผูมีความหลงมากๆเรียกว่าไม่รู้สึกตัวละ่ะแกก็ไม่รู้สึกตัววุ่นวายอยู่อย่างนั้นนะ่ะคือว่าความหลงมันปกคลมคมจิตกิเลสสามกองนี้มันมีเป็นเจ้าโลกกว่าไหนกิเลสความโกรธเป็นเจ้าโลกหนึ่งกิเลสความโลภเป็นเจ้าโลกหนึ่ง ดีเลดความหลงเป็นเจ้าโลกหนึ่งแต่เจ้าแผ่นดินโลกหลงนะมีสามนายใหญ่ๆมันไม่กลัวใครแหละแต่ว่ากลัวผู้ปฏิบัตินั่งภาวนานับตั้งตนต้นแต่พระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ลมไม่โพ กิเลสความโกรธความโลภความหลงเนกบกกล้าทำอะไรกับพระพุทธเจา้าแม้สาวกพระพุทธเจ้าท่านที่ปฏิบัติภาวนาได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจนถึงขั้นพระอารหาันตากิเลสความโกรธโลภหลงสามกองนี้กกลัวกราบไหว พระสาวกพระพุทธเจ้าแม่พวกเราทั้งหลายทุกวันนี้กิเลสสามกองนี่มันยังควบคุมอยู่มันยังไม่กลัวหรือว่ามันบายหัวเราอยู่ทุกวันเหมือนมีคนมาบายหัวอย่างนั้นนะคือเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเอาบทัน ดูดาว่าลายไปตามเรื่องเรียกว่าโทสะจริตโทสัจริตนี้ ม, มนันเล็กน้อยโลภะก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันมันมีขึ้นมาแล้วมันไม่กลัวใครแล้วกลัวผู้ปฏิบัติภาวานาลูกเดียวผู้ได้มันขยันภาวานานะ นั่นแหละมันกลัวกลัวคนหมั่นคนขยนันอันนั้นให้เราทุกคนตั้งสัตยาที่ถานลงไปว่าเราจะไม่ประมาจจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนจะนั่งคัดสมาธิให้ได้ทุกวันทุกคืน แต่เวลานั่งเข้าขเรามันจะเอาบว้ได้คือว่าถ้ามีครูบาอาจารย์พูดดูว่านั่งหรือบนนั่งอยู่มันก็พอทําได้แต่เมื่อไม่มีไม่มีใครดูว่านั่งคัดสมาธิหรือไม่นั่งตรงนั้นเ่ะมันจะมันจะแหกคตร ไปนั่งโยกตีเจ้าของนั่งยังไรก็ได้นอนภาวนาก็ได้มั น, ม, นมันแวกแนวออกไปรว่านอนเช้าก่อนตื่นขึ้นมาอย่างภาวนาก่อนยังได้มันละไปตามมัน